เดือนที่สองวันที่สามจเจริญสติระหว่างสมไข่เมื่อคืนฉันรับจอบพิเศษเพราะปฏิเสธเพื่อนร่วมงานที่บริษัทเก่าไม่ได้นั่งทำงานอยู่เกือบสี่ชั่วโมงจนเสร็จและส่งให้เพื่อนทางอินเทอร์เน็ตก็ดีเหมือนกันได้สตางค์มาทำบุญเพิ่มตั้งเยอะโดยเสียเวลาเหนื่อยเพียงไม่นานนักแถมฉันยังได้ทาสมาธิต่ออีกสองนาที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 ลมหนาวต้นกุมภาปีนี้บ้าๆบอาเสียด้วยบทจะพัดมาก็เอาใหญ่บทจะนิ่งก็อบอ้าวเหลือหลายจนในที่สุดสิ่งมีชีวิตที่บบกบางอย่างมนุษย์เช่นฉันต้องประสบภาวะตะคร่้นตะครอจนได้ฉันทานข้าวช้าแบบฝืดคอหาข้าวต้มหรือของอ่อนๆไม่ทันแล้วอยากกินยาลดไข้หลังอาหารเร็วๆมากกว่ารถท่าพรุ่งเนี้ย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 ไม่ค่อยมีเวลาตรวจคนไข้ละเอียดซะด้วยสิจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้าเป็นไข้แบบเนี้ยไม่มีอะไรดีไปกว่ากินยาธรรมดารักษาเนื้อรักษาตัวสองสาวันก็จะทุเลาลงหมายเหตุผู้อ่านขออนุญาตแทรกตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับในฐานะที่ศึกษาด้านธรรมชาติบำบัดมายาวนานและหยุดกินยาเคมีแก้ปวดลดไขมาเป็นสิบปี ขอยืนยันว่ายาไทยยาขมหรือการกินอาหารบำรุงที่ดีให้ตัวอบอุน่นให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอจะได้ผลดีกว่าการกินยาเคมีอย่างมากนะครับซึ่งการกินยาเคมีส่งผลเสียเป็นอย่างมากและส่งต่อให้เกิดโรคอื่นๆอีกหลายโรคทําให้ร่างกายภูมิคุ้มกันกลดลงส่งผลเสียอย่างร้ายแรงถ้าเป็นไปได้กินยาไทยยาขมที่หาซื้อได้ง่ายนี่ดีที่สุดนะครับ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 พยายามอยู่อย่างทรมานทรกรรมสิบนาทีก็นึกถึงลมหายใจเข้าออกสิบนาทีที่ผ่านมาฉันฝืนเกรงจนไม่มีแก่ใจตั้งสติตามรู้ลมคล้ายคนกำลังถูกรุมด้วยไฟร้อนรอบด้านจะให้ใจเย็นนั่งนับดาวราวกับคนที่อยู่เป็นปกติสุขอย่างไรไหวละ่ะระบายลมหายใจออกยาวในครั้งหนึ่ง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 เกิดอาการตาสว่างทั้งที่ยังหลับตาอยู่อย่างนั้นฉันเสวยทุกเขเวทนาทางกายไม่พอยังเสวยทุกเขเวทนาทางใจเข้าไปอีกร่างกายกระสับกระส่ายแล้วจิตใจยังดิ้นโรนราวกับจระเข้ฟาดหางอลวาดน้ำกระจายอย่างเนี้ยเขาเรียกทุกขคูณสองจริงๆ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 เพื่อไม่ให้ตะเลิดไกลเกินกู่กลับมาขณะ ก, กําลังหนักใจคิดมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่งลมหายใจจะมากับความอึดอัดเรากับเราสูดเอาของทึบๆเข้ามาในร่างและคงค้างความหนักทึบไว้ในหัวขณะ ก, กําลังใจร้อนอยากเร่งให้เกิดผลบางอย่างไม่ว่าจะงานทางโลกหรือความสงบภายใน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 มีคุณภาพขึ้นต่อให้เหนื่อยแสนเหนื่อยขนาดไหนกำลังก็ต้องฟื้นคืนมีความสดชื่นเพิ่มขึ้นสักนิดในชั่วขณะเวลาที่ลมแรงกว่าเดิมนั้นขณะกำลังปลอดโปรงโล่งตลอดลมหายใจจะยืดยาวชัดลึกและนิ่มนวลยิ่งทาตั้งสติไว้กับลมหายใจไปเรื่อยเรืความปลอดโปร่งก็จะกลายเป็นความสุขสงบตั้งมัน่น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 คือกายชั้นแต่เปลี่ยนเป็นกำหนดรู้ตามจริงว่าสิ่งที่เป็นต้นกำเนิดความแสลงสิ่งที่อมความร้อนไว้ภายในสิ่งที่ดิ้นรนสู่การขยับเปลี่ยนคืออิริยาบถนอนเท่านั้น